พุวาไวพระพิเศเจ้าวัดขุดธรรมเกติตปะปักทีสองศักดิ์สบักขาตตาไหวพระคำหรืองถือพระคำประสัทธรรมโซติเลยไหวพรไปวพระสูงเวลารับไหวพรหินร่องพุมาตรจิตใจตึงเลยที่ ท่านก็พูดจะเจ้ามาให้ปฏิบัติให้จะคมหมายความมายที่บอกพูดจะเจ้าท่านสาสั่มาสอนปกครองตั้งต้นพฤติการการบ้านการให้แก่การให้ทานการให้ทานการรักษาศีลการเรียนเมตตาเข้านาสร้างบุญกุศลบุญ บุญคือความสุขกายสบายใจอุษณ์คือความสว่างข้องจิตข้องใจพิเศษที่ควอยากเพื่อจะตามหาตนของตนนั้นเป็นรู้ทำเห็อะไรนี้มันไม่เห็นตนที่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนให้ตามหาตนของตนเหมือนกับเราตามตามโพกตามโพกน้ำร้อยโพก จนความมันจะเป็ น, นตัวโกเรียนเพื่อนี้ไม่มเห็ น, นตนตั้งตัวตนนายที่นี่หมายถึงดว ง, งใใจิตูกงใจของใครของเรารวงสิตดวง ใ, ใจนี่นันไปนำทำไม่มีรูปก็ไม่ร่าไม่อยู่เวลาแตกตายนั่เนเสิ็จแมันลม้มมาเกิด ว่าเหตที่ลมมาเกิดกเพราะมันลกตนตนนั้นมีที่พตนยังท่านมีที่เกาะแต่เลยมาเจนร่างกายที่ตนในร่างกายมันมีอะไรบ้างในร่างกายนั่นมีธาตุธาตุทัสีธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมธาตุดินเป็นสบัดของบิดาของวก้ลงธาตุของท่านสี้เจาขห ชาตน้ำเป็นสมบัติของมารดา้าติตังค้มีแเมื่อพขาไปกินขาวเกีไปไปเฉงที่สุดคือมารดาทานที่จงแล้วดนน้ไปลงไม่เป็นของแผ่นนเป็นของมีประจาโลกมีแต่ว่าเจ็บใจที่มันลุกมร้องเข้ไปยึดเขไปซื้เนี่ยไปเกาะคนที่มาเกิดแรกที่เราก็ เขาไปเกิดเขาไปเขาปฏิบัติทุกทีในคารบันดาลไม่มีอะไรที่ต่รวมสีลรวนแต่ว่าภาพของสัตว์ภาพ ข, ของุคนถ้าบพบทีลเราพกรเกิดมาม่ดังมันฝังใใมีหนุกอ่ใจเมื่อนตุบเสียงมันฝอังอยู่กับแทนที่ดีนะแต่ก็เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ ไปทำโกงสวดพทำไมทำไมฉันไปทำราะพ่อมันไม่รู้เพราะพ่อมันเกิดจากการกระทําเอเกิดจากนี้บ้างฆ่าทรัพย์ักทรัพย์ประพฤติผิดนิยามดื่มชุราเมงอะไรเสื่อรองม้องหมอบพูดปลดพูดก็มีคําสัพคําดีไปพูดให้เขาเสียรักก์สลคุณแล้วพูดไปหลอกลวงบโพร่อนแต่อีกเขาเหลือรอด เนี่ยกรรพวงนี่แหละมัดผิดอะรทาซึ่งมัดผับกันทั้งจิตใจมัดเลยจะรู้แล้วลว่าพะพทธจาสอนหันปอยู่ในการเกิดกันตถ้ามันอยู่ในการเกิดจำไปเกิดก็จะไม่แก่จะไม่เมจ็บไม่ตายอย่งต่อไปข้างหน้าไม่มีหมดครบหมดต้ที่นี่ราบโคตรที่พวกเาเมาถ้าวยว้อนหลังอ่ะมันเป็นะนะการแล้วมันจนนับไม่ได้แล้ว ถ้าพวกเรารูกไได้เห็นเอเไยจากคนที่เสีอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านวันที่ท่านอเอตัลูไปพระพุทธเจ้าเกิดเกิดยา่างฟลูกขึ้นพุเกเตวิวาสานมีสัญญาณที่ท่านพ้นหลังได้มือราบแสนราบอนันตสาตดเป็นสัตว์เดียร์านน้อยถึงนกกระจับใหญ่ถึชาต นอกนั้นเป็นรถทุกตัว์ับฟังแต่ว่าอาณัติอานัติธรที่พวกเราเนี่ยถ้าไม่เห็นหกพุนจะเสียพระพุทธเจ้าอันเดียวกันสิทธิ์จของพระพุทธเจ้ากับสิทิของเราอันเดียวกันแต่ขอพระพุทธเจ้าทั้นสร้นบาลานีมาเป็นแยมแลี้ยแรกแรกท่านกับเป็นอาเป็นเป็นพระโครมเป็นเป็นโคเป็นเนัวข้า ถ้าข้าพระองค์้าพระองค์ทักปรารถนาร่วมกันปรารถนาเป็นผู้พูดที่เจ้าที่แต่ตอนนี้บริสัทอันนี้พวกเรามื่ขึ้นมาขั้นมื่นู้นเมสูงสุดแล้วมันจะทําอะไรก็ได้ที่นี่ก็อันความสุขที่พวกเราปรารถนาพระะหายอยู่ทุกวันสรุปแล้วหลวงปู่เข้าใจอย่างนี้หมดแล้วอันความสุขที่มีในโลกจบแล้ว ยังไต้องเสริมสุขในโลกหมดแล้วหมดแค่นี้ทุขที่ีกายที่ร่างกายอาศัยอยู่หมดแล้วยังเหลือจะส่งให้ทำทำมาทาในที่นี้หมายถึงดวมจิตดวใจเสิงกับคือดวงิตงใจทำกัคือดวงจิตดวงใจนี่แหละทัศนิกัคือดวงจิตดวงใจธรรมที่กคือดวงิตดงใจปัญญากคือดวิตดวงใจนี่ะ สรูปเปล่ามาหารทางที่งกายทังหมถ้าทิ้งกาละอะไรไม่ติดขึ้นไม่มีการมีเรศนาไม่มีความสุขปกครุมีสัญญาความจาได้ไม่รู้กไม่มีสร้างทางคัมร์ตกแต่งคัมภีรจับคัมคิดคัมคิดดีใจเสียรทางโคนก็ไม่มียึยันความรักตาหูจมุกรือกายก็มมีหมดเนี่ยความสูขก็แท้จริงไม่อยู่ตรงไหน อยู่ในรวองจิตร่รใจของผู้บริทุกคนมีสิ่งที่ควรรู้ได้เห็นได้อยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงที่มันบางๆเพราะนั้นจะให้บาปฑิตบัตรท่ำใจะให้มันบ้างจากอารมณ์จริงนะท่ำใจใมัหยุดนี่ถ้าเสียใจหยุดหยุดนี่ได้หรือมันจะรู้คริงว่าใจร่งองจิตร่งใจเป็นอย่างนี้ ที่นี่ก็ถ้ามันลิบเข้าไปที่ท่านให้สี่ให้นามว่าอัปปน า, า, าสมาธิเมื่อจิจแตง ว, วงพมันไปที่อัปปน า, า, าสมาธินี่มันจะไม่มีอะไรไมันจะว่างหมดดับหมดสัญญาตรงไม่มีรูปร่างกายมีโลกอันนี้ไม่มีคิดเสจว่า ง, งลลหลือจะดวงรูข้นร่วนนี่แหละนี่ถ้าคิดถอนขึ้นมาความความเห็นความคิดความใจมันจะ ไม่มีใครบอกก็จะรู้ยังงเห็นเดียนว่าร่างกายกับจิตใจไม่ใช่เดียวกันแล้วร่างกายเป็นเฉพาะว่าอันหนึ่งคืออันหนึ่งจิตใจดวจิตใจเป็นเฉพาะว่าอันหนึ่งไม่เป็เดียวกันจะแยกกันทันทีเี่ต้องนีละจิตใจไม่จับเป็นพระจิตใจเป็นพระพระนี้ไม่จำกัดเพศเพศหญิเพศชายเป็นพระได้เดีวก็ไม่ และกับไม่จำกัดพวกที่ออกปฏิบัติขาราะกาาลบงารา า, า, ารโยมต้อรู้ไร้่องนี้นที่ผ่านน้ถ้าเ้าผ้าไม้แบ่งบไม่เกี่ยวผมให้จิตใจเห็นธรรมตรงนี้ที่นี่ผ้าไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองกับหมรดอันนี้ผ้ามีจริงอยู่แต่ว่าเป็น้าสมมติไม่ใช่ผ้าแท้ พระแท้จิตใจเป็นพระพระอธรรพระโสาัต า, น า, าแน่นอน ม, มนนปอ เ, เป็นอื่นท่านพระยากรไ้ผู้ที่จใจคขาเป็พระโได้อย่างาบเจ็ดชาติเจ็ดชาติเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน้าต็ดชา ซาซาลรอยปีเลยเจ็ดรยอย<ม>ีคือเขาบถ้าน้องนั่นน่ะไม่มีจุดหมายปลายทางที่ น, นี่ถ้าจะาถ้าจะย่อนหลังก็นดีตพวกเราเกิดมาเองคุณแบบเชนอนันตามากเลยถ้าจิตใจยังยังยังไม่เป็นภาตยังไม่เสี่งม น, นี่ต่อไปข้างหน้า มือาจจะเป็นอนัตตาเหมือนกันจนนับไปได้เหมือนกันพราแต่น่าะสรุปแล้วที่ท่านแม่มาสังมาสอนพวกเราให้กว่าิบบทมหาหาคุณทางชี้กายเป็นอะไรท่าชี่กายนี่มันก็สูงเลยที่ว่าท่านว่าพันิพันพันนิพันพันนิพันแต่ที่ที่พิาคุกมเบื่อทําไม่จิตเลยมัจะเบื่อ เบื่อเล่นเบื่อจิตใจตนเดงนี่แหละเบื่อร่างกายทนเอนี่ถ้า่ทีทุกถ้าลูเรื่องผู้ที่รู้สูรู้ทุกข์ทีจจิอย่างเดียวนี่กอนใช้บุรกายเขาไม่รู้อะไรหรอกคือก่นใกวรการท่าทั้งสี่ทัาสี่้่าน้ําไฟท่าลมดินเขาไม่รู้จักสุขกทุกข์น้ไม่รู้จักสุขจะกทุกข์ไฟไม่รู้จักสุขจะทุกข์ลมไม่รู้จักสุขจะกทุกข์นั่นคืออะผู้ที่รู้สูรู้ทุกขที่ิตใจเนี่ย โรกจิตทุกใจอันนี้ไม่มีตัวมีส่วนเดียกนะสรุปเรื่อที่มันเกิดจากความทุกข์พัาวจิตใจหลงเข้าไปยิดใจยปตะจีพกายเตนเนี่ยตัวนี้แหละตัวสักกายจะสิ้นสุดประยิบันถือไปในกายเราไม่ไม่เห็นกจดีป็นตนเมื่อไม่เห็นกจยเป็นตนที่นึกอุปทานความเย็นมันมีรูปรวมไปแล้วมีรูกมัต้องมีเวทนาความเจ็บปวดรอดเล่าเย็นรอดตอนแก่ มีดีลักษณ์ดันั้นี่อ่ะอ่ะอ่ะชิใจของพระอริยเจ้าที่ท่านอ่ะดูท่านเห็นจิตใจเป็นพันท่านจะทำสามอย่างเลยท่านให้เรียกให้ชื่อให้นามว่าอาริยะปฏิบัตมท่านสอริยะเปวตธรรมันตัวเสริฐสัจจะเปวตบของกี่คืออะไรบของสี่คือทุกหนึ่งสำมุทัยในทุกเกิดนิเง นี่โลดที่ความดับทุกข์อีกหนึ่งนั่นทุกข์เป็นผลนี่โลดจะเป็นผลตัวส ม, มุสทัยเปนเุเทุกเกิดอะไรเป็นตัวส ม, มุทัยจรเจ็บใจที่มันยึดกายีแตัว ส, ส ม, มุทัยทุกเกิด ทะลุแล้วก้อนทั Twin ้งกล้ามกายของพวกเราหมทั้งก้นนี่ก้อนสมุทรไทยก้อนก้อนสมุทรไทยเหนี่ยทุกเกิดเอาใมาทุกคนอาการสาหัรองตั้งต้นตั้งใจผมฝนและปันหลังใหญ่นกระดูกเตี้ยระดูกสะโพกใต้นยใ้หญ่หันใหม่หันเก่าน้ำมีน้ำเือดน้าหนองน้ำเลือดน้ำเหนียดน้ำนน้ำลายน้ำมูดน้ำพุอน้ำหม เป็นตัวสมมสรแต่ละแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นเุทุกเกิดอนไม่เหตุกอไม่จะเกิดก็เพราะว่ามันไม่สามัคคีกันมันไม่สามัคคีกันเป็นอวามเป็ควรอย่างไลอย่างรหร่อย่างเลยอย่างไม่คงที่เหตุเพ่จะเกิดขึ้นทุ่มจะเกิดขึ้นใช่ไ ทุกสมุทัยมีโรดตทุกสมุทัยโรดสมอย่างถ้าเป็นร่างก็ไปดับทุกท่านนั้นชื่อว่ามรชื่ว่ามรมรชื่่ามรมรทั้งแปดท่าน็าเรียงมรขคงฌานเข้าไปดับทุกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเหนุรอเหตทุกสมุทมีโดมรสาม เป็นเป็นเป็นอะไรนี่สัมมาสติสัมมาเซกโปดัดัมรีดัดัมรีอุกจะคามสัมมากรรมโตสัมมาสีวนการชีวิตการทำหารอย่ที่สมาจัตสัมมาไปโมเปลี่ยนละบาปเกิดขึ้นอเป่เ่นอย่างพุทนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็สัมมาไวโมแล้วก็สัมมาสติระลึก อย่าไปเรออาเรยเียบตมบนอ่อสที่ปอยที่ไม่ชอบทิ้ง่ทำ่จะสมาธิจังใจไว้ใ้ชอบว่าความชั่วเสียหาย ขี้ว่าบาปตัวกรรมนหนึ่งนีดเดียวก็ให้มีเนี่ยสมาธิตั้งใจชวส่วนที่อยากอย่กนั่นสมาธมเป็นแค่ขี้ให้นามักอ่ากีรความละอายแก่ใจต้สวัสดตัวกรรมโอตปะความเพ่งกลัวกลัวสบัดตัวกรรมขี้ว่าขี้ว่าบาปกหน่งน้อยหนึ่งเดียวก็ให้มีเนี่ยยัเนินไปตามมาเนินทาง พอนทานเข้าไปดับพุกจังหวะสมาสสมาสิ ก, กิสมมาสังกโปสมมาวาจาสมมาธรรมโตสมมาอาชุโบสมมาไวยงโวสมมาสติสมมาสมาธิสมมาทังกโปดำลี้ออกจากกรรมจะถามกรรมอยู่ที่ไหนก้อนสกปรกกายของใครของเราอย่างนี้หรื อ, อก้กอนกรรมกรรมตัวนี้มันมีทั้งคุณ ม, คมันมีทั้งโทษถ้าถ้าไม่มีกรรมพวกเราขเขาจะมาได้เกิด ก็ม<ๆ>ีสมุนไม่สุดทีนี่อากาจะปฏิบัติก็อาศัยวัตถุของกรรมอาศัยกอนสกปรกในกายเป็นเครื่องมือที่ประพฤตปฏิบัติสรุเรียก็หาวนทางทิ่งออกจากใจทึงก็หาวันทางเรียกว่าสัมมาสัมมาสังกัปโปะดำวิบัติกร จะหาปะทามอางค์ทางที้ใจที่นี่ที่เรกะทมมามหรืที่้ใจคือข่มอยากวัตถุกรรมก็คือร่างกายของโรานอกเนือจากทรัพย์สมบัติปัจจัยที่มาเลื่อนรูผู้เสื่อร่างกายที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่กามทนโลคอันนี้โลกตามมีแต่ต า, ามหมตามหมดทั้งโลกโรคตามามเชบบของร้อนตามเชือบบะไฟไฟอะไระที่นี่ ไฟราคาคมกำหนักดีในรูปใ้แสงในกลิ่นดีรสีนเ่องสัมผัสไฟตทวศักดิ์สิดไฟโมหะสุขอุดมลวงมันเผาที่สวรรเวลามันก็ไม่รู้อาการที่ไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านชื่อให้นามว่าอภิชาคือความไม่รู้รู้อยู่ก็่รู้โลกโลกรู้รู้ไปศึกษาลราเรียนมาที่ไก็มามะมะผูกมะมัดตัวเรียนมัดมาผูกมัดมัดมัดที่ไหนมัดจิตมัดใจน่ะ มัดให้ลุ่มให้หลงนี่ในโลกหมายพวกว่าคิดคิดว่ามีทรัพย์มีสมบัติมากมา้านมันจะสุขทีเนี่ว่าหลวงปู่ว่าแต่ก่อนล้วว่ า, วาถ้ามีบ้านหลังใหญ่เจ้าตัวภา่ในบ้านมันจะสุขมัตสุขไหมสุข ก, กระจกเลี้ยวุบ้านบ้านหลังใหญ่แล้วสว่วสุขแค่เนี่ยที่ผ่านมาแล้วย่างเหลืออีกติดแกว่ายัางมันมีเครื่องบินนั่งไปรอบโลกอืที่นี่ เค่บินที่เขาซื้อมาให้เรานั่งกับเราซื้อเองเมื่อกันไสู่คอฟอร์กันช่างอาชีพอาชีพเดียวกันอย่างเดียวกันไปดูโลกที่โลกที่ไหนไปจนถึงทวีปที่โลกสุดขอบเขตรอบรบกไปรอบขอบขอบเขตจักรวาลไปดูกับไปดูคนที่คนคนเดิมกัเนี่ยไปดูต้นไม่เดิมกันสะรู้เปล่าโลกทั้งโลกหมดหมดหมดทั้งโลกไม่มีอะไรสรุปแล้ว มีของสี่อย่างชนหมดโลกคืออะไรคือธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุแรถลมชน น, นอกกนั้นตั้งที่เรียกในโลกที่เคยเพชรกระดิ่เพชร ก, กะชระดินงทองคำกระดินแก้วกระดินเเศษจักรลัคนาที่เขาใส่ในโลกนั่นม่ต้องมีธาตุอีกสรุปว่าดินก้อนเนี่ย้าตุย่อให้มันน้อยเขาไปที่ จริงๆและมันจะเือดินไม่ได้เดียวกับจิตใจดวงเดียวเนี่ยทิ้งไรไหมทิ้งดินทิ้งไม่ได้กับทิ่งไม่ได้ถ้าทิ้งได้กับกระจกเนี่ยถ้ามีอะไรเนลือใจดวงเหลือเหลือใจดวงจิตดวงใจดวจินดวงใจนี่หลังมันชื่ให้นามว่าทำทำทำสิ้นสิ้นจะเรียกจะสิ้นจะเรียก ่ำแกเรียกสมาปิก็เรียกสมาธิก็เรียกปัญญาตอันเดียวกันละอยู่จุดเดียวกันจนิงสรุปว่งมันรวมที่จิงสุกสุที่นี่ก็ความสุขความทุกข์แก่เราเอาแตนสารภาพอย่างที่มามากระทบกับกับร่างกายกับใจผู้ที่รับสู่รับทุกนิสัยหยางหยาบเนดินเขาก็ไม่รู้จกปจไม่รู้จากว่านจากเย็น น้ำก็ไม่รู้จักสูดจักทุกข์ไฟก็ไม่รู้จักสูดจักทุกขลมก็ไม่รู้จักทุกข์จัทุกทีกท่นี่ที่มองเห็นด้วยตามีตะ ด, ดีกับน้ำไฟก็เป็นนามธรรมลมก็เป็นนามธรรมไฟก็มันมีตัวมีตนลมก็ไม่มีตัวมีตนน่ะที่มองเห็นด้วยตานี่ลัทธิหนีไม่ตางหากไม่ใช่ไฟแท่ไฟแท้คือคงรอดที่นี่เมื่อม า, สารสูปป่ความหลงหรือมันหลงอะไรพวกเรามันหลงตน มันไม่เห็นสดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตเพราะนั้นจ่าให้ยกหูว่าความสูกที่ผู้สมบัติที่ผู้เราอ่าหามาณธรรมและกล่าวพยายามหาหาธรรมะใดมาห้ถูกหนทางจะหาธรรมะถูกหนทาง การทำธรรมาค่าสายเสมอกันของที่มันผิดภาษีอกรรยาผิดผิดอันนี้คือกฎหมายของเขาผิดอันนแล้วไปเรียกรักษาไอโมีิสุดรการงานของเราการทํามะให้เสร็จอย่าไปให้ผลกระทบคนและบุคคลคนอื่นสัอนจะให้บคคอื่นสัตว์เขาเรีอดรอนเรียงชีวิตให้ไม่ถูกต้องให้อ แล้วจะพอยอย่า้สิห้าเขาพูดเรารักพ า, าไม่ได้เนื้อจ้าสัมมาตะมันโตกับสัมมาอาสีวัวหัวเข้ากันเนื้อชีวิธตธรรมะถูกต้องแล้วประเภททาหารที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามมัง่งสังสิทธิ์ยัเนื้อมนุษย์เนื้อสั้นเนื้อหมาเนื้อหมาเนื้อลาสตีเนมีเนื้อ เ, เ, เ, เ, เสือโกงเสือเหลืองเสือดาวเนื้องูเว่นถ้ามันเล่นมันไม่ถูกมันทำม สิ่งที่ทำในการการค้าขายนการค้าขายค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ไปเข้าไปเข้าขาเป็นอาหารราคา้าขายเครื่องของเมาค้าขายสตา์อาวุธค้าขายยาพิษค้าขายสุรายาเมาเนี่ยต้องเว้นถ้าม่ถ้าพิจารณาถ้าไม่เว้น มันมันมันถูกเมตังมักกมมัไม่ถูกมะรรมะธรมธรรมะอะติวะอระมอวเรีชีวิตมันอบที่ถูกทําอย่าไปเบียดอย่าให้ไปเบียดเด่นตนในบุคคลคนอื่นอยาทำให้บุคคลอื่นแต่งเข้าเดือดร้อนสรรมะธรรมะธรรมะธรรมะตวกับมาอะตวมาบายาโมสิเทียน พยายามรับาปที่เกิดแล้วมันเป็นสภาวเกี่ยวกับกินห้าของเราทุกป่อทุกทกประโยคนันหละนี่ว่าเพียงพยายามรักษาละบาปที่เกิดแล้วและกับเพียงพยายามสร้างบุญผู้สนให้เกิดขึ้นจากคาสังกิของของเราแต่กเพียงพยายามรักษาผู้สนที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ให uhm ้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจเป็นสัว่าเราได้ปฏิบัติทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้รักษาไว้จะห้ไเสี่ยงไปจะให้หมดไปเสี่ยงไปนี่แหลคำที่ว่าสรรมาวยาหมอเพียนพยายามรักษาเตียนพยายามรักษาบาปที่เกิดี่้ว จะะเกียพยายามสร้างกุศล้เกิดคุกุศเกิดขึ้นและตเกียพยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่หมดไปสไปสกตีจากไกลสัมมาวายสมมาชะดติบน่าเลือกอยากไปเลืกโลกจากได้สิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนอยากอยาไปยลือกเดียดเดียน ผุ้คนเร็นสัต so, อ่นอย่าการเ่องอาฆาตจงร่างจองฟันคนเรียนสัตอี่นีที่มีให้เรื่องให้ไม่มีแต่เมียตาอย่างเดียวที่หรือเวลาเขาด่าเ่อว่าเราจะมีหรือเขาทำอะไรให้เราผิดถูกจะมีแบบอย่าไปเรื่องมันปล่อยทิ่งมันไปเพราะว่ามันผ่านมันผ่านเป็นอดีตไปแล้วถ้าให้ดูปัจจุบันที่นี่หรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้เราคือว่าเป็นกรรมของเรา ่ที่ไม่ผ่านมาที่เราสร้างวัะญาิตชาติและว้าเราเกิดมาประทํมาเลว่ายิ่อยู่มันจะมันจะาเอิ่หน่มันจะเจอขึ้นมามาผสมนี่นี่ถือว่าเป็นกรรมของเราที่นี่กรรมที่ทาลงไปแล้วนี่จะหีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นท่านยู่ว่าเรามีกรรมเป็นของขงชนมีกรมก ร, มกกรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเ่เในเจิมีกรรมเป็นผูดติดตามมีกรรมเป็นเจ้าหนยสเราทกรรมาลยว่ายิ่งอยู่ได้เป็นบาป เราจะเป็นทายาทที่ว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นถือไป็นกำลีให้ผลผู้ถูกกำ่วให้คนทุกเวกละที่เขามาทาทาลายเขาเรือ เ, าาเขามาทาอะไรให้ออกมันไม่ถูกนี้กันแ่เมตตายกโทษมันกัหรือว่าเป็นกรรมอย่างเข า, เามายกโทษให้ท่านให้ท่านอาจารย์สวงเลยจำไปนี่ยต้องหาว่าท่านเปิดภคขอมจนเขา เอาเอาทหารมาประกบท่านอยู่ตังค์ยี่สิบวันจนท่าน็นท่านตายไปสามสัปโมงที่นี่เมื่อท่านขื้นขึ้นมาทีนีเมื่อเมื่อท่านืขึ้นมากำลังกาลังเล่าอาการที่ท่านตายไปขึ้นไปย่ขึ้นไปสิบวันสามสัปโมงกำลังฟัง พวกเจ้าหนี่เขาก็้ามามาบอกพูกผู้ผู้เ่าว์ผมมาบอกว่าพวกที่สา ย, ลายไล่ไฟเสียกันเจ้าหน้าที่ทหาร เ, าขาเขาจับไปหมดห้าสิบคนนะที่นี่ขับฟ้องเาจับไปแล้วนีเ่เอาไปเอาไปเข้าควบบงหวงเห็นเห็นเห็นว่เาเขาเขาส่งกลับคืนไปห้าห้าคนพวกขับพุ๊ที่ตามความจริงพวกพวกขับพูดไปตามความจริงพวกคอมมนิต เขาเลยต้งใชเขาจะไปเสียบอะไรของเขาก็ไม่ที่เวลาทั้นเข้ามาคงเสพท่านจะไปเ่ไปเรียนจำบางอยางไปบอกว่าพวกท่านทั้งหลายที่ยกโทษุกควเราทิศจนเราเราตายเส่น้องผู้จะให้อาไปไปเป็นบาเป็นกรรมอยู่ใช่่าโพวกท่านทั้งหลายยังยังไม่ได้ไปสูกติดตัวที่นี่ใช้ป آ, ahren, น้องปูจะออกเพราะว่าเสียสมบรณให้หลวงปู่สนอใดอันนี้หลวงปู่จะทามาทางทางาทางจิตหลงปูจะผู้เจนิบโรราณหลายผู้โบราณลายจุ่มอันยมโมทนาเนี่ยหลวงปูมีสุกขอใหุ้ด้วย่ขอให้สิ่งศัดิ์ดียวนี้นีไปท่านไม่อาฆาตจ้องล่างจ้องฝันเขาซ้ำต้องอยู่เมตตาท่านจะคิดว่ากรรมของท่านเองขนาดนี้ขนาดเมตตาของเราจ่ทำไม่านไปจ้ะ จะจากที่สิ่งของของเราที่มันที่เสียหายไปจะให้เราคือว่าเป็นเป็นของของเราทำที่ใจของเราให้มันสบายเดี๋ยวมันจะเป็นข้อเวลาร่างกายมันจะแตกจะรับเป็นสิงเดียวไม่จะผลเดียวติเช่จะเป็นประวัติที่นี้ทัศติเช่ไปประวัติตรงไหนไม่จะไปเิดที่ัหนเกาะที่ไหนไม่จะไปที่เหนเพราะนั้นเราหาพิธีโปร่งวางจะพิจารมัน หรือหือเรามีอยู่ในปัจจุบันเหมืหอกันมีมากมีน้อยเมื่อหมดอายุ ข, ของฟงรอนหมดหมดลมหายใจเมื่อไใดล่ะหมดสิบพันปีสรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าทรัพย์สมบัติที่มีในโลกไม่เป็นของใครถ้าเขาไปถึงความจริงเป็นอย่าง น, นใครเกิดมากับมหาแล้วก็มาใส้ยอยู่ตามสติจักสถิกําลังสถิปัญญาสกายฟุครอยนี่แหลน้อยมากเพราะจะน่าับ ันะท่านพ่อบุญได้เล่าใช่ไหมมันไม่เป็นของใครเจะว่าของเราก็มาใส่พอหมดเราไปกับลู ก, กไปตามต่อเจว่าเป็นของลูกก็ไม่ใส่อยู่บางทีลูกลูกไม่มีบุญบลรีจากกองทรัพย์สมบัติอันนี้ได้มันจะมีอันเพิ่งไปเหมือนกันมีอันเพิ่งไปเหมือนกันแต่ลูกแกยวกับบางคนที่ลูกอู๋เคยได้สัานเกต ม, มากคนอีสานคนมันนอก แล้วก็พระดิรามสาสมหามันหาที่ดินหาที่ดินหาที่ไร่ที่นาหาหรื อ, าอาตามวัชิปตาคนๆมันเนาะมาสะสมไปที่นี่ออหมดพ่อหมดพ่อผัวแม่ไปหมดไปโดยปณิยายพราเขาเพราะเขาไม่แยกแบ่งกันเป็นของใช้ของเราซับที่หามาไปสุดท้าย หมดพร้อมหมดจรงๆะต่างคนตางไปต่างคนต่างหาอยู่หาสิ่งคนๆต่างคนไปต่างเอาตลอดอันนี้ก็อเมือนกันเนที่นี่เจตนาองบีดามานดารเจตนาทีสุดแต่ว่าเอาผู้ที่แขผู้ที่จะคองไม่มีบุญมีน้ำมีบุญบารมีที่จะคลองต้องบิเาบิดานารณ์ก็ไม่คลองไม่อยู่เหมือนกันตายไปไปพร้อมคนคนอื่นๆเหมือนกันเพราะฉะนั ال concur, lane, ้นละเมื่อวันพร้อมแล้วยัน้ยงปูว่ามันถึงขนาดที่แล้ว ตั่งใจปฏิบัติถ้าไม่เป็นไปได้ส็ไม่ผานไปผ่านไปก็ผ่านจากทุกข์นี่แหละผ่านจากทุกเกิดทุกข์แก่ทุเจ็บทุกข์ในี่ไปนันยุดี่เส้นเรื่องการเกิดเจตใจขงพกเราตั <anyway> ้มันย้อนหลังไม่เป <resting and S 1> ็นล้านานแล้วทุกข์กับบางทีจะเกิเป็นเศรษฐีกับดุปีก็ได้แต่มันไม่แน่นอนเมื่อเวลาเกิดคุกข์ลงมามันจะทําุกข์ทความทักข์เสียหายนี่มันกับบันพรลงไป ยัง sea, อันนั้นตาประวัติอาเสียที่เหนียวเนี่ยจนไอ้พระอินเลนมาทรมานเราแกลนงขนมเบื้องกลัวกลัวไปพระอินเป็นเพื่อนกันเดนมาเตียนี่ยถ้าแตกตายทำไมถ้าไ yup. ม่เขาจะไปตกนรกเนี่มันเหนียวไม่ให้ทานการให้ท divergence. ication, านการเสียสละ ใสลีเซาตสลาสเลียเจจานใบพคอื่นแต่อิน้องมีความสุมขกสบายใจการเชื่อใที่นี่จอาการทางการอาการทางาด้วยวัต nah, ถ uh, ุที่ขอวัตถุเอาเข้าของนี่นี่ี่อันนี้อันเนี้ยทางาที่นี่ การให้ทานการอารให้ทานให้ศัพทหนึ่งเส้นเรียกอะไรก่นการการให้ให้ให้ทานให้ทานอันนให้ให้ทานวัตถุวัตถุสิ่ของที่พวกที่ออกปฏิบัติให้ทานภายในทานอะไรทานทรับยความชบบัติทั้งหลายทั้งพวกที่มีในโลกทานให้ใคร ทานให้ลูกทั้งหมดเราไม่เอาเราหยุดหยีเพ่าท่านภายในท่านลูกทานท่านลูกท่านเสียงท่านกลิ่นทานโลกทานเครื่องสัมผัสท่านลูกท่านเมียกันทรัพย์ตงที่เขามีกันในโลกอย่งนั้นสงสารเหมือนกระที่ที่ที่อาท่านออกบทออกปฏิบัติอยนี้หรือล้วไม่ออกแล้วก็เสียสละปฏิบัติเสียสละอย่างเดียวกันมีที่ระวัตทานภายในท่านลูก ลูกอะไรก็แล้แต่ลูกลูกสัตว์ลูกบุคคลลูกเข้าคองนนท้องแก้วแวบเ้นศัลยตร์ที่โลกเขานิยมซ้อมที่เสียชะลาทานี่วี่เนี่ยวตามภายในทั้งลูกทั้งหลามทั้งยาทั้งเม็ดสารพัอย่างที่เขามีกันในโลกตามที่เขาหมดยกให้พวกยกให้พวกพวกเขาเขาชอบเขาเนี่ยเขาชอบเขายีดีพอใจยกให้คนพวกเราเสียชะลา ถ้าไม่วานกุลเราก็ต้องอาเราเราไม่ไปไปแบกโลกประเดนนี้ว่ า, าท่านเึงว่าผู้ที่แบกโลกอยู่ในระดับกลางอมพาผู้ที่แบกโลกอยู่ในระดับต่ง <strengthen. S 1> อันนีไอ้ไอ้ข้อที่สองผู้หามโลกอยู่อยู่ในระดับกลางผู้วางโลกอยู่ในระดับสูงเนี่ย บางโลกว่าหมดกินชีวะโลกโลกโลกทุกสิ loc, ่งทุกอย่างวางหมดปล่อยหมดทุกสิทุกอย่างเรียว่าจาโคจาโคจาโคให้ทานอันหนึ่งบริจาคที่จาโคบริจาคให้ทานโยจ่าโคจ่าโคปัญญนิสโคมุตสิอนารโยมุตสิกลับไปว่าความสุขพ้นอนารโยไม่มีความมาอะไรเนี่ยหมดไม่มีอะไรตกข้างในภายในจิตใจ เหลือแต่ดวงตดวงใจรวดเหลือแต่ดวช่วงทรารวดนี่นะน่คือไม้เสีทามั่นสินี้รุปแล้วองดีที่สุดขมีทุกคนมีทุกมีทุกรวงจิตดวใจที่ให้ที่ทาให้ที่ให้ซ้ให้ํามบัพระนิพพานพระนิพพานกับื้อนี่ปิธาความเบื่อเบื่อนายให้ความกำลังยืในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเสีงสัมผัสเบื่อนายรูปเนี่ย ลูกลก้อนสกุลนักกายเป็นตัวบือนายเวชนาความความสุขความทุกข์เชียนรดอ่อนแสงทุกดาแก็เบื่อนายสัญญาความจำได้ไหมลูกจำสีจาแสงจาอะไรก็แล้วแต่แสงที่เขาเออ่้กระสมาสัญญาความจนเบื่อนาย จะตัดไต่คองกำลัดีเมื่อนายทังคัปรุงเขาแปรเเทศเขมีใใส่ๆเบื่อนายยืนยันเขราก้ามวถุงโบว์ยิ่งใจมันเบื่อนายมันตัดไต่คลองกำลัดีเมื่อมาคลายตงกำตรงกำในที่สิดทุกคนหมดแหละขครของเราพวกเรามีหน้าที่แค่สิ้นห่างรู้ได้เห็นได้ไม่มีอะไรผิดบังถ้ารักษาให้บริสุทธิ์จริงลูได้ไม่มีอะไรผิดบังขอให้ตั้งใจปฏิบัติทำให้มันมาก จะ่นให้มันยิ่งตั้งชื่ว่ามากเลทีนี่หมายเพื่ให้มีสติเจาะจงต่อเนื่องกันหรือเวลาเราทํางานถ้ามีสัมปัชย์ญาติแขงอยู่มันจะแขงอยู่ในตั้งใจเจาะจงต่อเนื่องกันงานที่เราทำกระทําแต่ว่าทํางานที่เราทําถ้าให้มันบริสุทธิ์ถ้างานของบริสุทธิ์มันจะไม่มีอะไรจะจะมาพากันให้เราประชิดเป็นดีแข่งกันอย่างนี้ไม่มีเบ้นรายกรรเข่าของเรามี มันมันฮะมันจะมาผักดําจิตใจให้ไปคิดเปนึกไปคุ้มไปแตะมันจะเบามันจะสบายเพื่อให้ท่านเหันท่านให้ัท่าจานให้มื่อว่าท่านให้ท่านให้ชื่อว่าเมื่อทานเข้าไปดับทุกข์ที่ไันดับตรงไหนของมันต่ดับตรงนี้มันเกิดทุกข์มันเกิดที่ไหน มันเกิดที่มันเกิดที่กีดมก็จะดับองที่ฉี ด, ดะด ท, ดทุกอย่างเกิดที่นี่มันเกิดที่นี่นอกด้านมันมีมนเกิดที่ฉีดละให้พักกันทำความเข้าใจปฏิบัตินะทำตนของตนทำทำมาตนในที่นี้มาที่จิตใจนี่ใจใจนะมาทาตรของตนให้มันเป็นเจื่ของตนนึกนังไงว เมื่อทำ ต, ตนของตนเนี่ยใครไปพึ้นของตนเนี่ไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ต้องไปพึ่งญาติพึ่งมิตรไม่ต้องไปพึ่โงโรงพยาบาลไม่ต้องไปไปพึ่งยาก